ตอนอบรมณโรงเรียนกรพิทักษ์ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม2560ตอนที่6ก็เข้าสู่ชั่วโมงถามตอบนะเป็นช่วงสุดท้ายความสุขคืออะไรแล้วเราจะทำตนอย่างไรให้เกิดความสุขเมื่อเรามีความทุกข์ เราจะมีวิธีจัดการและรับมืออย่างไรกับคำถามช่วงแรกก็คือความสุขคืออะไรแล้วเราจะทำตนอย่างไรให้เกิดความสุขความสุขมันเป็นเรื่องของนามธรรมามันไม่เกี่ยวกับวัตถุใดๆทั้งนั้นนะบางคน ตั้งใจวันนี้จะออกไปหาเงินมีเป้าหนึ่งพบาทไปรับจ้างทั้งหมดเลยจนพระอาทิตย์ตกดินนะได้มาแ0 0รบาทรู้สึกทุกข์มากเพราะมันไม่ตรงเป้าบางคนออกไปเดินเล่นเฉยๆออกไปจ็อกกิ้งเก็บเงินได้200บาทมีความรู้สึกสุขมากคนมี200สุขมากแต่คนได้แ0 0อทุก มันเป็นแค่อุปทานของจิตมันไม่มีตัวตนเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นนามมาทำวิธีง่ายๆเราก็ให้รู้สึกรู้เรารู้สึกพอใจสุขตลอดเวลาแต่ว่าทำไมเราทำไม่ได้นะเพราะความอยากของเรามันไม่ยอมความอยากนี้เกิดมาจากไหนเกิดจากกิเลสที่เราสะสมพัฒนามันขึ้นมากิเลสทำให้เกิดตัณหาตัณหาทำให้เกิดอุปทาน อุปทานทําให้เกิดสุขแล้วก็ทุกข์แต่มันอุปทานสุขที่มันเกิดจากอุปทานทุกข์จากเกิดอุปทานเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นอุปทานนะนั่นแหละคำตอบคือตัวสุขเป็นนานมธรรมแล้วให้ตอบกระชับหน่อยหนึ่งมันก็ย้อนแย้งกับคําถามนี่แหละความสุขที่แท้จริงคือความไม่มีทุกข์ความไม่มีทุกข์ที่แท้จริงคือความอิสระถ้าจิตปราศจาก ความกดดันปราศจากพันธนาการต่างๆนั่นคืออารมณ์ที่ไม่กังวลอะไรเลยอารมณ์ที่เราไม่มีทุกข์ร้อนอะไรเลยเป็นสุขอย่างยิ่งและก็สุขสูงสุดโดยเฉพาะในพุทธศาสนาพูดอยู่แห่งเดียวก็คือนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งอย่างอื่นเป็นเรื่องสุขเพราะความพอใจเป็นอุปทานนะครับก็ถ้าอยากสุขก็อย่าทาให้ตัวเองทุกข์ ถ้ามันทุกข์แล้วเนี่ยอย่าไปทุกข์กับมันทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นนะทุกนี้ก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งอารมณ์ต่างๆมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นนะทุกสมูทไทยที่โลดมกักนะทุกมีไว้ให้เห็นมีไว้ให้รู้ว่าเรามีทุกเป็นประธาน ถ้าเราไม่ยอมรับเรามีทุกข์เป็นประธานเนี่ยเราก็ไม่หาทางที่จะปลดปล่อยเรานะสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์คือตัวตัณหานั่นแหละทีนี้ที่มาของตัณหาก็คือกิเลสนะที่มาของกิเลกก็คือกรรมนะมันมันไล่กันไปเรื่อยๆนะครับนะง่ายมากถ้าอยากสุขก็คือไม่ต้องทุกข์นะโลกนี้ที่พระครูบอกไม่มีความเย็น มันมีแต่ความร้อนผ้าทิศตัวเป็นตัวจ่ายความร้อนไม่มีดาวดวงไหนจ่ายความเย็นที่ห้องนี้มันเย็นเพราะเอาความร้อนออกเท่านั้นเองน้ำแข็งมันเย็นเนี่ยเพราะความร้อนมันน้อยนะถ้าเราทิ้งไว้ปุ๊บก็ละลายนะที่เราสุขเพราะเราไม่มีความทุกข์ไม่ใช่เราแสวงหาความสุขนอกกายไม่มีขายมีแต่ความสะใจความสนุกสนานความสะดวกสบาย พึงพอใจมันไม่ได้แปลวสุนะครับจิตรักษาร่างกายของเราได้อย่างไรนอกจากเรื่องร่างกายแล้วยังช่วยในเรื่องใดได้อีกถ้าไม่มีจิตนี่ร่างกายนี้ก็คือซากศพถ้าไม่มีจิตวิญญาณความมีชีวิตเกิดขึ้นไม่ได้ในน้ามีจุลินทรีย์ในจุลินทรีย์มีวิญญาณแต่ในจิตนั้ น, นก็มีวิญญาณถ้าในสางสายพุทธทางเถรวาท เราพูดถึงเรื่องวิญญาณ6วิญญาณที่หูคือโสตะวิญญาณวิญญาณที่ตาวิญญาณที่จมูกวิญญาณที่ลิ้นวิญญาณที่ร่างกายนะอยู่ในเซลล์ทุกส่วนแล้วก็วิญญาณที่ใจคือมโนวิญญาณแต่ถ้านมหายานเขาพูดถึงวิญญาณ8นะเขาพูดถึงวิญญาณ8นะนอกจากวิญญาณที่ใจเนี่ยวิญญาณแล้วเขาจะมีมัฑวิญญาณมัฑวิญญาณ มันอยู่ในจิตสํานึกนะแล้วก็มีอริยะวิญญาณมาอยู่ในจิตใต้สํานึกไอ้ตัวนั้นคือกล่องบันทึกโปรแกรมนะแต่ไม่ต้องสําคัญหรอกรู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่ไปเป็นไรนะขอให้เราฝึกไปเรื่อยๆในจิตนั้นมีวิญญาณตอนเราถอดกายทิพจิตมันออกจากล่างมันไปเที่ยวไหนแล้วเนี่ยเอา้ามันออกไปแล้วทำไม ห, หัวใจเต้นอยู่หัวใจมันเต้นมันยังมีมโนวิญญาณทํางานอยู่แต่ตัวจิตมันออกไปข้างนอกนะครับก็ จิตไม่ใช่แค่รักษาร่างกายจิตเป็นนายกายเป็นเบาถ้าไม่มีจิตปุ๊บความมีชีวิตเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีวิญญาณเรารับรู้ไม่ได้เราไม่ได้ยินเรามองไม่เห็นเราลิ้มรสไม่ได้เราดมกลิ่นไม่ได้นะถ้งบอดจิตคือตัวรู้นะบังเอิญว่าวิทยาศาสตร์เราเก่งมากยุคนี้แต่น่าเสดายทีหนึ่งเราไม่เอาไม่วิจัยเรื่องชีวิตชีวิตประกอบด้วยสามอย่าง ในตัวเราคือกายจิตกับอารมณ์นะถ้าไม่มีกายมีจิตอารมณ์ก็ไม่เกิดขึ้นถ้ามีกายไม่มีจิตอารมณ์ก็ไม่เกิดขึ้นนะชีวิตเรากายฟิตจิตเฟิร์มอารมณ์ดีชีวีก็มีสุขแล้วแค่นี้นะถ้าสามอย่างนี้สมบูรณ์นะครับไม่ใช่ไปหาความสุขข้างนอกส่วนประกอบของชีวิตชีวิตเรามีแค่นี้กายจิตวิญญาณ กายจิตอารมณ์ออกมาปุ๊บเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยรถยนต์ทรัพสมบัติอันนั้นเป็นส่วนประกอบของชีวิตนะเงินทองนี่มันเปรียบเสมือนช้อนซ่อมเรามีเราก็ใช้ไม่มีเราก็เอามือกินได้มันไม่ใช่พระเอกพระเอกคือจิตนะครับมันจะทำให้เรารู้สึกสุข ก, ก็ได้รู้สึกทุกข์ก็ได้ นะรู้สึกเบื่อก็ไดนะ้มันสร้างอารมณ์เหล่านี้ขึ้นมานะเราเรียกว่ามันเป็นนามธรรมาแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เกิดจากอุปทานที่เราสร้างขึ้นมาบางคนเห็นตัวนี้ดีๆบางคนเห็นแล้วไม่ชอบเห็นไหมไอ้ตัวนี้ละ่ะใครชอบใครไม่ชอบร่างกายเหรอร่างกายไม่รู้เรื่อง <c oughs> เออร่างกายมันไม่รู้เรื่องถ้าม่มีจิตวิญญาณตีก็ไม่เจ็บ เขาพูดก็ไม่ได้ยินนะตาก็มองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแหละที่เราเห็นเราสัมผัสได้มันเป็นจิตวิญญาณนะเวลาที่เราเข้าไปในจิตจะมีการแสดงท่าทางต่างๆออกมาอยากทราบว่าท่าทางต่างๆมีความหมายอย่างไรจาเป็นไหมที่ต้องมีการแสดงอาการต่างๆออกมา ในบางคนที่ยังไม่มีอาการใดๆแสดงออกมาถือว่าเข้าจิตได้หรือยังมันไม่มีสูตรสำเร็จนะว่าเขาไปในจิตต้องแสดงออกมาบางคนไม่ต้องแสดงมีครูบาอาจารย์ส่วนมากสายวัดป่าเราท่านก็เข้าไปในจิตแต่ท่านเขาท่านอาศัยฝึกฌานเริ่มจากฐานกายค่อยๆเข้าไปในฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมท่านก็ ล, ลึกัชาติได้แต่เขาท่านก็ไม่แสดงออกทางร่างกายนะ อันนั้นคือสติปฐานสี่ก็คือว่าทีละขั้นแต่มหาสติปฐานเนี่ยมันรวมเป็นหนึ่งเดียวและอันนี้ผลประโยชน์ของมันคือมันจะรักษามันจายนี่กรรมทางกายด้วยเนี่ยมันจะเร็วและมันจะแรงแล้วก็โกครคภัยไข้เจ็บทางกายภาพเนี่ยมันจะรักษาแต่ถ้าเราเอาจิตอย่างเดียวเนี่ยนะเออเราไม่ได้รักษาร่างกายเลยแล้วส่วนมากนั่งนานๆจิตอาจจะหลุดพ้นแต่ร่างกายเป็นอมภาตอมพภพมีหลายรูปหลายองค์เป็นแบบนี้ อันนั้นท่านจเจริญอนุสติแล้วก็พัฒนาไปสู่สติปฐานสี่ทีละขั้นทีละขั้นแต่มหาสติปฐานเนี่ยเรารวมกายเวทนาจิตธรรมรวมเป็นหนึ่งเดียวมันจึงมีการแสดงออกของกายภาพและการแสดงออกแต่ละแต่ละช็อตแต่ละกิยบทเนี่ยมีนัยยะของเขาทั้งนั้นแหละนะมีบางท่านก็แสดงแล้วเออเป็นพญานาคบ้างเป็นเสือบ้างเป็นอะไรบ้างมันเป็นอารมณ์ของอดีนะในขณะที่มันแสดงกายภาพนั้นนะ่ะนะ อจิตปัจจุบันเนี่ยก็เสพอารมณ์นั้นก็รู้ว่าโอ้มันดีใจเสียใจเวลาเสือมันหิวเป็นยังไงแล้วกเ็เราได้ใช้นิกรรมทางกายภาพแล้วก็มันรักษาร่างกายเราด้วยอันนี้ผลต่างส่วนต่างของมันเนาะถ้ากิเลสคือความอยากการที่เราเปิดเพลงแล้วเต้นจะเป็นการกระตุ้นให้เราเกิดความอยากหรือไม่แล้วถ้าไม่เปิดเพลงจะทําให้เรา อยากเต้นและมีสมาธิได้ไหมและเพลงแต่ละเพลงมีผลต่อการเข้าจิตไหมเพลงเร็วเพลงช้ามีผลต่อการเข้าจิตไหมนะครับกรรมชี้เจตนาอย่างเราไปลิสโกเทคสมัยหนุ่มๆพ่อครูไปเละเลยล่ะนะเราเต้นด้วยอารมณ์สนุกสนานเราสร้างอุปทานใหม่เพื่อ ก, กบเกินความเบื่อเรา ยิ่งทํานี่ความอยากยิ่งมากต่อไปเนี่เห็นไหมสังเกตไปเต้นแล้วมันอายกินเหล้ามอมตัวเองก่อนเห็นไหมหลังจากเล่าแล้วไม่พอไม่ดูเดือดเสพยาเสพติดทําให้ทําให้มอมสติเราไม่งั้นมันไม่สนุกอันนั้นเป็นกิเลสแต่นี้เราเต้นโดยไม่ต้องอาศัยเหล้าเราเต้นด้วยสมาธิสติและอารมณ์มันเกิดขึ้นเนี่ เราเกิดปัญญาเพราะเราได้เรียนรู้กับอารมณ์นั้นบางครั้งทันบ้างไม่ทันบ้างไม่ได้ผิดนะผิดเป็นครูไม่ทันเดี๋ยวเราก็มีประสบการณ์อีกอันนี้เกิดปัญญานั่นละเต้นเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเห็นไหมเขาเต้นท่าโบกรถแท็กซี่ท่าอะไรทุกคนทำเหมือนกันหมดเลยยังมีการควบคุมอยู่นะต้องสร้างอารมณ์สนุกสนานกับมัน เพื่อมากบเกินความเครียดเราอันนั้นเหมือนยาแก้ปวดมันมีประโยชน์ระดับหนึ่งประโยชน์มันระดับสัมมาทัก ร, รมฐานนะมันได้ความสงบชั่วครู่เพราะมันเลิกคิดอย่างเราไปเข้าคอสแพงๆมากยูเมกามีคอสนะั้นต้องจองเป็นปีเลยนะนะคิดเป็นเงินไทยเป็นหลายแสนบาทเลยละนะเขาไปใช้จิบดิวยาเบียงเบนให้เราวางความคิดให้เราไปสนุกสนานให้เราไปไปไ ป, ไปพิจารณาเรื่องอื่น ในช่วงอยู่ตอนนั้นนะ่ะสบายสบายพอออกมาก็วีนเหมือนเก่าอันนั้นเป็นแค่จิตตะวิทยาไม่ใช่เรื่องจิตวิญญาณนะอันนี้คือผลต่างมันทีนี้เพลงแต่ละเพลงมีผลไหมมีมสมมติว่าวิธีเวียงล้าเวียงไปตามเพลงปุ๊บแล้วก็หยุดกึกเพลงมันสะดุดปุ๊บมันมีผลไง เราก็ต้องนับนับหนึ่งใหม่เรื่อยๆการเลือกเพลงเนี่ยนะต้องรู้ว่ามันเหมาะกับคลื่นจิตอย่างไรแรกๆสิปีพ่อครูไปอยู่ในป่านั้นไม่มีไฟฟ้านะเราตีระฆังพ่อครูคตีะระฆังอยู่10ปีะระฆังแตกไม่รู้กี่ลูกพก่อครูตีไม่เคยแตกแต่ถ้าพ่อครูไม่อยู่เนี่กองเชียร์ตีนี่แตกหมดเพราะใช้ใจตีใช้ใจตีแต่ตีแรงๆแต่ไม่ดัง พเพราะครูใช้จิตตีไม่ต้องไม่ต้องแรงนะนะคือตอนนั้นเราใช้เ ส, เสียงอะไรก็ได้แต่ว่าต้องรู้ว่าเวลานี้เนี่ยเราปฏิบัติโปรแกรมไหนจิตมันไปแบบไหนนะแต่ว่าคำว่า น, านานาจิตตังพวกคูมีเจตนาเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงอันนี้เนี่ยฝึกจิตเนี่ยให้ไม่ไปยึดติดถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแฟนตาซียแดนซ์ แฟนตาซีก็คือว่าไม่มีจังหวะอะไรที่ตายตัวเราฝึกจิตให้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงและรู้ฉลาดใช้เสียงนั้นน่ะมันเป็นเครื่องมือในการดำเนินของเราฝึกเป็นานานเนี่ยจิตเราจะไม่ติดอะไรเลยส่วนเวลาเราอินไซส์เอาจิตในจิตแล้วเนี่ยมันมันต้องส่งจิตให้มันไหลลื่นไปเ ร, เรื่อยอันนี้ขบวนการคือว่ามันเดินทางแต่ถ้านนี้ไปสะดุดป๊บมันนั่งนับหนึ่งใหม่ตลอดเวลานะอันนี้ก็มีผล นะแต่ไม่มากเหมือนเราเต้นลาเก่งแล้วเนี่เปิดเพลงก็ได้ไม่เปิดเพลงก็ได้แต่ถ้ามีเพลงเนี่ยมันไปได้คล่องกว่าเท่านั้นเองนะบางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะใช้เสียงเนี่ยสะกดจิตหรือเปล่านะสมาธิทุกอย่างเนี่ยสะกดจิตตัวเองให้มันสงบก็มีการสะกด น, นะนะอันนี้มันไม่ใช่อันนี้เนี่ยเนื่องจากจิตเราไม่แข็งแรงเนี่ยเหมือนเรามีที่เกาะก่อน แล้วสุดท้ายเราไม่ให้มันอยูุ่นตรงไหนนิ่งๆนะถ้าอยู่ที่นั่นนิ่งๆนานๆนนเนี่ยเราจะไปหลงติดจุดนั้นมันได้สงบสวมสงบชั่วคู่แต่ปัญญาไม่เกิดเราต้องให้มันเคลื่อนไหวนะแล้วก็สมรว่าเราไปกดมันไว้อารมณ์สงบกดไว้เนี่ยอารมณ์ต่างๆที่มันซ่อนอย่างมันโผลมาไม่ได้เราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยแต่บางคนเขาไม่โอ้ชีวิตเราวุ่นวายพอไปนั่นงจุโอ้สงบสงบ มันได้ช่วงแรกทำไปทำมามันไม่ก้าวหน้ากี่สิบปีก็อยู่ตรงนั้นเพราะเราไม่แก้ที่ต้นเหตุของมันนะครับก็วิธีไหนก็ช่างใบไมก้กรมือเดียวผู้เจ้าเอามานำเสนอเราเนี่ยดึงมาแค่ใบเดียวแล้วก็ทำจริงๆจัง ๆ, ๆไม่ต้องไปนั่งเถียงกันหรอกวิธีนั้นมีกว่าวิธีนี้มีแต่พูดแต่ไม่ทำไม่มีประโยชน์ทาจริงๆจังๆเนาะ ส่วนไอแนวที่เราทำเนี่ยมันไม่มีแนวเนี่ยมันไม่มีวิธีตายตัวมันเป็นนานาจิตตังเพราะครูสร้างโปรแกรมคร่าวๆนะให้จิตมีเครื่องมือแต่ว่าใดรายละเอียดนี่นไม่ไปก้าวไกลทุกคนใช้จริตตัวเองทำนะครับถ้าจิตไม่เข้าถึงทะลุป้องแล้วเนี่ยทำอย่างนี้ออกมาไม่ได้เขาจะทำตามประสบการณ์ที่เขามาปุ๊บเนี่ย ฝึกมาอย่างนี้เขาก็บอกกับทุกคนเป็นหุ่นยนต์อย่างที่เขาทาอันนั้นมันมีศักยภาพข้อจำกัดของมันนะมันจะไปติดบ่วงตรงนั้นถ้าเราไปทำอยู่กับมันนานๆการปฏิบัติสมาธิเหวี่ยงต้องเหวี่ยงให้แรงขนาดไหนจึงจะเข้าจิตได้ถ้าเหวี่ยงเบาๆสามารถเข้าจิตได้ไหมในบางครั้งยิ่งพยายาม เวียงแรงยิ่งรู้สึกอึดอัดทําให้เข้าจิตไม่ได้จะแก้ไขอย่างไรมันไม่มีสูตรตายตัวนะเพียงแต่ว่าถ้าเราส่งเสริมมันอย่าไปควบคุมมันอย่าไปต้านมันนะบางคนเบาๆก็เข้าไปได้แล้วนะแต่บางคนอยากแรงไอ้ตัวอยากเนี่ยกลายเป็นว่ามีการสั่งการแล้วไอ้ตัวอยากกลับไปดึงไว้นะเพียงแต่ว่าถ้ามันแรงเนี่ย ส่งเสริมมันเลยอย่าไปดึงมันไว้นะครับอันนี้มันเป็นมันเป็นนานาจิตตังเพราะว่าแต่ละคนนี่พลังที่เราสะสมมาไม่เท่ากันวิบากกรรมที่แบกมาก็ไม่เท่ากันมันจึงไม่มีสูตรสาเร็จใดๆทั้งว่าต้องเป็นแบบนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะมันไม่ใช่วิชาสอนไม่มีมาใหม่มาเก่านะเห็นบอกครูบาอาจารย์ที่เพิ่งมาใหม่ๆเนี่ยวันแรกก็เข้าไปได้เลยเห็นไหม ไอ้ที่เข้าไปได้เร็วหรือช้านั่นมันอยู่ที่วิตกจริตอุปทานเรามากน้อยแค่ไหนนะครับก็ดำเนินไปเรื่อยๆพ่อพครูบอกแล้วตั้งมั่นไม่ต้องตั้งใจทำเล่นเล่นสนุกสนานตั้งมั่นก็คือว่าก็ถ้าให้คะแนนสมาชิกในครอบครัวก่อนพิทักษ์เนี่ยร0 ความตั้งมั่นความมีวินัยถ้าพ่อครูมีใจอยู่พ่อครูว่าพวกครูมีความสุขมากนะที่บอกว่าถ้าการฉลองวันเกิดเป็นแบบนี้เอาถ้าฉลองวันเกิดโดยพวกเรามาปฏิบัติธรรมถ้าไม่มาฉลองวันเกิดโดยสรนเส่เฮหาเพิ่มกิเลสฉลองความเจ็บปวดของแม่เนี่ยไม่เอานะก็ถ้ามีใจบอกว่ามีความสุขอย่างยิ่ง ในขณะทําทุกกิจกรรมจะมีวิธีใดบ้างที่จะกําจัดความคิดที่เข้ามาแทรกได้บ้างค่ะคำถามเห็นไหมเราทําอะไรก็ต้องเราพยายามจะหาวิธีเราคิดหาวิธีเราก็คิดอีกแล้วไงนี่นี่คือเราล่ะทุกอย่างจะกําลังคิดจะหาวิธีกําจัดมัน วิธีกําจัดมันก็คือไม่ต้องทําอะไรรู้เท่าทันมันเฉยๆที่พ่อครูเน้นว่ามันคิดความคิดและอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นนะไม่ต้องพิจารณามันไม่ต้องตัดสินนั่นแหละคือวิธีจัดการจัดการโดยไม่ต้องจัดการรู้เฉยๆไม่ใช่เรื่องความคิดอย่างเดียวนะอารมณ์ทุกอย่างถ้าเสะวะเขาด่าเราเอาละเราไม่ทัน กระทบหูปุ๊บมันเกิดเวทนาไม่พอใจเราเราก็รู้ว่ามันไม่พอใจก็จบแค่นั้นถ้าเราไม่ระวังปุ๊บไอความไม่พอใจเนี่ยมันพัฒนากลายเป็นความพยาบาทความโกรธเกิดขึ้นมาทันทีเนื่องจากเราไม่ทันแต่ถ้าเราฝึกแนวนี้เนี่ยที่มันไม่มีแนวเนี่ยทำไปเรื่อยๆเหมือนเราออกกําลังกายไปเรื่อยมันก็เกิดความแข็งแรงความแข็งแรงนี่มันเราไปไหนมันก็ไปด้วยจิตเหมือนกัน ไม่ใช่เรื่องสติอย่างเดียวนะเขาเรียกว่าอินรียอินซีห้ก็คือตัวศรัทธาเรายิ่งมากขึ้นหลังจากเราทํำแรกๆก็กล้าๆกลัๆกวๆวอุ้ยมันเจ็บเนี่ยว่าเฮ้ยลองลุ้นอีกสักทีหนึ่งพอผ่านไปเอ๊ะมันหายแล้วนี่แล้วจะเกิดศรัทธาหลายท่านไปอยู่ที่ศูนย์นะบางทีญาติพี่น้องก็ตามไปว่าโอ้มาศรัทธาเพ่อครูบัญชาพ่อครูว่าไม่รู้จักกันมาศรัทธาทําไมเขาศรัทธาในสิ่งที่เขาเห็นต่างหาก เนาะเดี๋ยวเราทำไปเรื่อยๆเรเกิดศรัทธาอินทรีย์ในเดี๋ยวศรัทธาจะมากขึ้นเมื่อมากขึ้นวิริยะก็มากขึ้นสมัยก่อนเราก็อ้างว้าเฮ้ย <Hey, S 2> ทางานเหนื่อยขนาดนี้เรายังต้องมาเสียเวลาเต้นขนาดนี้มันก็เหนื่อยมากขึ้นนะเพราะเรายังไม่มีศรัทธาเพราะเราไม่รู้ว่ามันเกิดประโยชน์อะไรเห็นไหมพอเราออกกําลังกายเราอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติเนี่ยเราทําไมตื่นตีสี่ก็เอาทํางานก็เหนื่อยแต่ยังวิ่งให้มันเหงื่ อ, อไหลไขยอยทําไมเราพอใจเพราะเราศรัทธา ศรัทธานี่สำคัญมากเริ่มแรกังเด็กๆ เ, เนี่ยเขาต้องศรัทธาพ่อแม่ก่อนก็พึ่งตัวเองไม่ได้เราก็ยึดครูบาอาจารย์เป็นสารณะานเองแต่ไม่ใช่ยึดมั่นถือมั่นเห็น ไ, ไหมดูแบบอย่างท่า น, นเรายึดคำสอนผู้ลี้เจ้าก็เอาใช้วิจราร์ญาเราเข้าๆปัญญาเท่าที่มีอยู่นะว่าผู้ลีเจ้าบรรลุธรรมได้จริงเหรอเห็นเอาล่ะสุดท้ายจริงไม่จริงกระช่าง ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ต้องทดลองทดสอบด้วยตัวเราเองนะความคิดมีประโยชน์เป็นเครื่องมือในการรู้เท่าทันมันท่านั่งไปติดชานะโอ้ยว่างว่างว่างว่างรู้สึกมีความสุขมากไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยโอเคไปฟังธรรมฟังเทศโอ้ย ธรรมะตลกธรรมะเฮฮาอุย้ยมีความสุขมากกลับบ้านไม่ได้อะไรเลยเอากิเลสกลับบ้านแต่ถ้าฟังแล้วมันเกิดปัญญาเนี่ยนั่นแหละคือประโยชน์อันนี้เขาเรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหารไม่ใช่ไปฟังไปจำมาไม่ดูเขาแซแสดงฤทธเดชให้ดูนั่นมันเป็นอภินิหารมันไม่เกี่ยวกับการพ้นทุกข์ ไปให้เขาทายทักอดีตเราอะไรอะไรเนี่ยนะมันเป็นอาเทศนาปาฏิหารเราไม่ได้อะไรเลยไปเพิ่มความหลงงม ง, งายให้กับตัวเองถ้าฟังทำแล้วให้มันเกิดปัญญาอ๋อวางอ๋อวางนั่นแหละได้ประโยชน์ไม่ใช่ฟังแล้วก็ไปจำรู้มากอันนั้นไม่ได้อะไรเลยได้กิเลสกลับบ้านความสม่าเสมอในการปฏิบัติ จะทำให้เกิดผลดีอย่างไรรู้สึกว่างานที่ทำอยู่ก็เยอะแล้วยังต้องแบ่งเวลามาปฏิบัติอีกรู้สึกว่าเป็นภาระวิธีการปฏิบัตินี้มีประโยชน์กับอาชีพครูอย่างไรเมื่อกี้เพิ่งคุยกับครูก้อยนะนะครูก้อยก็ปฏิบัติมาพอสมควรพวกครูอยู่ในนั้นนะ28ปีนะญาติธรรมก็หลากหลายสาขาอาชีพมาจากทั่วโลกนะ พ่อครูก็สรุปครู ก, ก้อยว่าตอนนี้เนะี่ยกลุ่มคนที่สําคัญที่สุดที่จะพัฒน า, าศาสนาเนี่ยก็คือครูหลายองค์กรแล้วพ่อครูไปอบรมเขาเนี่ยเขาก็ได้เฉพาะตัวใช่ไหมชีวิตเขาก็ดีขึ้นแต่มันก็จบอยู่แค่นั้นแต่หน้าที่ค้นคุณครูวิญญาณครูต้องไปแบ่งปันตัวนี้ให้เด็กๆแล้วก็ให้ผู้อื่นวิญญาณครูชอบสอนอยู่แล้ว นี่แหละคุณครูต้องรับภาระหน้าที่ตรงนี้ทําอะไรได้ง่ายๆละ่ะมันไม่ขังมันไม่ศักดิ์สิทธิ์มันต้องแลกด้วยความเหนื่อยแต่อย่าเอาความเหนื่อยนั้นมาแปลเป็นภาระหน้าที่เพราะหน้าที่ไม่ใช่ภาระหน้าที่ถ้าเราทําด้วยความ อ, อึดอัดถูกบังคับมันจะกลายเป็นภาระทันที ยังไม่ได้ทำก็เหนื่อยแล้วแต่ถ้าทำด้วยความแย้งกันเป็นเรื่องธรรมดานะครับข้ามพ้นอารมณ์เหล่านี้ให้ได้ท่านในทางศาสนาเขาเรียกว่ามันเป็นนิวรนความลังเลสงสัยความง่วงเหงาหานอนความเบือบ่อความกังวลและความติดสุขแล้วมานั่งทุกข์ทำไม เจ็บก็เจ็บปวดก็ปวดมากิ้งเขอล่อเขาล่ อ, ขลอเขียวหมดทั้งตัวนะอันนี้เป็นสิ่งขวางกั้นทางเดินเหมือนเราเป็นนักกีฬาถ้าเราไม่แลกด้วยความเหนื่อยบางทีก็เตะฟุตบอลก็ถูกเขาเตะขาหักขาเคสเราก็ยังลุกขึ้นมาเตะต่อนะ่ะนะเพราะเราศรัทธาไงถ้าจําเป็นต้องทำเนี่ยถึงจะถูกบังคับให้ทําก็ช่างเนื่องจากเราอยู่คนเดียวไม่ได้ องค์กรไหนเนี่ยเขาก็มีนวัตกรรมหรือว่านโยบายขององค์กรอยู่ที่ว่าเจตนาของผู้บริหารเนี่ยเขาอยากแกล้งพวกเราไหมนะถ้าอยากแกล้งให้คุณครูเนี่ยหนักกว่าเก่าแล้วคุณทูมีทุกเนี่ยผู้บริหารมีอย่างเดียวก็คือบ้าเมื่อมาทําให้คนในองค์กรเนี่ยเดียงหมดเลยแล้วงานมันจะเดินได้ยังไงเราต้องมีศรัทธาแล้วก็บางทีก็ต้องให้เครดิตใช่ไหม คนที่เขาพยายามต่อสู้ชีวิตแล้วเนี่ยเขาทํามาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาย่อมรักองค์กรเขาแน่นอนทีนี้ในแง่จิตสํานึกของเราเนี่ยเราไปกินข้าวที่องค์กรไหนไม่แต่เม็ดหนึ่งก็ช่างไม่อาศัยสถานที่นั้นหายใจไม่แต่ครั้งหนึ่งก็ช่างไปหลบแดดหลบฝนไม่แต่ครั้งหนึ่งก็ช่างนะถ้าจิตเรามีสํานึกมีกระตันอยู่ถ้าเรามีสุรู้สึกไม่ดีปุ๊บรู้เท่าทันมันก็อมองไปเรื่องดีๆ บางทีเรื่องดีๆ 80% เรื่องที่เราไม่ชอบ 20% ก็เอา 20% มาตัดสินเลยเราจะพลาดโอกาสในการบำเพ็ญเพียรในการทําดีนะครับทุกอย่างไม่มีเลวร้ายทั้งหมดมันเป็นของคู่นะอันนี้ก็ถ้ามันจําเป็นต้องทำเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ใหม่เลยมิศทา ก, กับมันไม่งั้นเราเสียเวลาเปล่าทําไปด้วยทุกไปด้วยแล้วก็มันไม่มีพลัง ไหนๆจะต้องทำแล้วเนี่ยเพราะกูบอกโททัลลี่เทเลยหลังจากทําแล้วเรื่องส่วนตัวเราเนี่ยมันเป็นสตีที่ของเราจะทําไม่ทําแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าคนมีสํานึกว่าเออถึงช่างไม่ชอบกับช่างแต่เป็นวัฒนธรรมองคอ์กรมันเป็นนโยบายองคอ์กรนะเออเราก็ให้ความร่วมมือเน่ยเราได้ให้เราให้ถึงเราจะไม่ชอบเราให้อภัยทานแล้วก็ร่วมด้วยไหนๆจะร่วมด้วยแล้วถ้าเาเกิดเราไม่ศรัทธาเนี่ยเราจะเสียเวลาเปล่า ทำไปด้วยทุกไปด้วยลังเลสงสัยไปด้วยนะครับมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาใส่มันเลยแต่หลังจากทําเสร็จแล้วกลับบ้านเราเนี่ยเราค่อยๆพิจารณาว่าเราจะใช้เครื่องมือนเนี่ยปฏิบัติต่อหรือเปล่าถ้าไม่ปฏิบัติเขาเป็นสิทธิของเราแต่อย่าไปสรุปว่ามันไม่ดีนะครับทุกคนมีความคิดเหมือนกันทุกคนมีจิตสำนึกนะครับคนฉลาดต้องอย่าทาให้ตัวเองทุกขนะ์นะนะ มีความพึงพอใจกับมันก่อนแล้วทำแบบไหลลื่นนะแล้วต่อไปชีวิตเราเป็นของเราอยู่ที่เราจะเลือกใช้แบบไหนตั้งแต่ที่ใช้เครื่องมือนี้โรคประจาตัวได้หายไปเลยและไม่มีอาการอีกหนึ่งวันใดที่ไม่สามารถปฏิบัติได้โรคที่เคยเป็นจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมบางทีมันไม่ใช่โรคเก่ามันมีตั้งหลายโรค โปรแกรมนี้จบไปแล้วโปรแกรมอื่นถึงบอกว่าพระเจ้าเตือนเราว่าอย่าประมาทเห็นไหมไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะรักษาโลกนี้ปุ๊บฉันก็หยุดนะไม่ใช่สมมุติว่าเขาตีหัวเราสศบเอาไปไว้ใส่ในกระสอบไปทิ้งในป่าลึกแล้วตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเราจะทำยังไงหาทางทิศตะวันออกอยู่ไหนเดินเดินเดิ น, เ, ดนเบื่อก็เดินไม่เบื่อก็เดินมืดแล้วก็หยุดตื่นเช้ามาก็เดินอีก เราบนว่าเราเบื่อไม่เดินได้ไม่รอเสือมันมากินเนาะเห็นไหมรอกระแสกรรมลูกใหม่มันเข้ามาเลยไม่ต้องไปห่วงเรามีไหมทุกคนมีกรรมเยอะแยะหมดล่ะนะแม้กระทั่งบรรลุทำแล้วกรรมมันก็ไม่หมดนะมันก็มาแต่ตอนนั้นอ่ะมันกระทบมันไม่กระเทือนเรานะแล้วไปหยุดกรรมที่มันบันทึกในจิตคนอื่นเราก็เปลี่ยนเขาไม่ได้แต่เราอย่าประมาทไงเตรียมความพร้อมนะกรรมมันมาหลบไม่รับมัน หรือว่าหลบไม่ได้กระทบจบแค่นั้นไม่กระเทือนเราไม่รู้สึกทุกข์นะครับต้องศรัทธากับสิ่งที่เราทำนะศรัทธาจนศรัทธาจ น, าจนไม่มีศรัทธาเป็นปกติเป็นวิถีอย่างชีวิตศูนย์พลาน่อยเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกวัน4ี่ห้าโปรแกรมนี้เป็นทุกวันไม่ใช่ปฏิบัติไม่ใช่เพื่ออะไรมันเป็นวิถีเราแล้วเพราะเราไม่ประมาท แล้วเราเตรียมตัวตายทุกวันทุกวันทุกวันเพราะเรารู้อยู่แล้วมันตายอยู่แล้วมันจะเมื่อไหร่ช่างมันเห็นมเหมือนทหารนี่เขาฝึกตลอดเวลานะไม่รู้หรอกเกิดศึกสงครามเมื่อไหร่แต่เขาไม่ประมาทเด้ขาก็ฝึกตลอดเวลาเห็นชีวิตเราก็เป็นแบบนั้นนะนะผู้เจ้าท่างบอกอย่าประมาทในหลวงรัชกาลที่เ้าพระองค์ก็บอกอย่าประมาท คือถ้าพวกครูพูดนะไอ้โลกร้ายแรงโลกเป็นตั้งแต่กําเนิดเลยนะมันก็หายไปต่อหน้าพรกครูแหะแม้กระทั่งโรคเอดนะไม่มีแม้แต่นึโรคไม่เกี่ยวกับผลของกรรมถ้าเวียงถึงดวงตาเห็นธรรมปุ๊บนี่เลือดมันเปลี่ยนเลยแต่ทีนี้มันก็ต้องอยู่ว่าเอาฝ่ายบุญเพิ่มบุญขึ้นมาเนี่ยไอ้ไอที่เราเป็นโรค ก, ก็คือฝ่ายกรรมไงเห็นไหมแล้วก็ไอ้นี่เป็นวิทยาศาสตร์ช่วงที่เราเวียงเนี่ยเลือดลมมันก็วิ่งเราได้เอ็กซเซอร์ไซส์ด้วย เห็นไมภูม <cko ur> <choreography> ิคุ้มกันก็เกิดในแง่กายภาพมันก็รักษาโรคเอดโรคภูมิแพ้เนี่ยเราไม่ได้ตายเพราะโรคเอดนะเราตายเพราะมันไปทำลายภูมิคุ้มกันเราโรคแทรกซ้อนนะมันทําให้เราภุมงกันอ่อนแอมันเป็นโรคภูมิแพ้เราก็ทําให้เราภูมิเราชนะสิเห็นไหมแล้วไปแพ้มันทําไมมันก็อยู่กับเราแต่มันทําเราไม่ได้แต่ถ้าถึงขั้นพรากูเห็นมาแล้วตู้มเดียว เลือดเปลี่ยนเลยแต่มันไม่ใช่สู่สําเร็จว่าทุกคนจะถึงตรงนั้นและบังเอิญพวกครูไม่น เ, นนเน้นเรื่องรักษาโรคโลกเหล่านั้นน่ะเป็นแค่ผลพลอยได้โลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกคนต้องจำไว้นะตายเราก็ไม่จบคือโลกทุกเกิดใหม่วันแรกมันก็แหกปากลองนั่นนะ่ะนั่นแหละวัตถุประสงค์ที่เราต้องการตรงนั้น ในช่วงแรกๆที่มีการเข้าจิตจะรู้สึกมีความสุขอยากจะปฏิบัติต่อแต่พอเข้าไปเรื่อยๆแล้วเหมือนใจจะขาดเกิดความกลัวกับสิ่งที่พบจึงหยุดกระทันหันโดยลืมตาและหยุดทันทีจะมีวิธีการแนะนำอย่างไรให้ไม่ต้องหยุดกระทันหันและไม่เกิดความกลัวระหว่างที่เข้าจิตลึกๆคะเวลาเรานอนหลับ เป็นเวลาที่เราไม่ระวังถ้าฝันไายเราสูญเสียคนที่เราลักสะดุ้ง <c oughs> น่ะมันสอบปรมลมเรามันสอบปรมเราแล้วไหมแต่ถ้าเรานั่งสมาธิมีสติตรอยเวลาเหมือนไม่มีอะไรติดสุขอะไรเนี่ยนะมันก็ได้ความสุขความสงบชัว่วครู่มันไม่เกิดปัญญาเราไม่ได้เรียนรู้ให้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงเลย อันนี้อันนี้ยังไม่ชำนาญเนี่ยทำไปเรื่อยๆเออมันหลงลืมตาต่อไปแล้วก็อย่าหลงเนื่องจากความกลัวเห็นไหมแรกๆเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกสุขไงเราก็ไปติดสุขพอสุขปุ๊บเราพอใจไงพอมันเกิดอาการทุกข์ขึ้นมาเนี่ยนะเหมือนใจจะขาดเนี่ยเห็นไมเราผ่านไม่ได้ที่พ่อครูบอกวันก่อนว่าเวลาทุกครั้งจะนั่งเนี่ยกาบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วก็คืนชีวิตเราให้กับพระ อ, องค์ก่อนฝากไว้ก่อนแล้วคนที่นั่งนี่ไม่มีชีวิตแล้วถ้ามันบอกว่าเราจะตายเนี่ยมาในแจ ใ, นใจเรามันจะหลอกเราเห็นไหมมีหลายปีก่อนมีท่านหนึ่งไปจากรุงเทพนั่งลอยล้มลงไปล้มลงไปจิตมันจะหลุดออกนะนะทีนี้ใจมันบอกว่าพ่อครูสั่งให้เปลี่ยนที่นั่งใหม่ พอลืมตาออกมาพวกครูไม่มีร้องนะไห้โฮเลยโดนมาในใจเรามันหลอกมันเอาขนาดนั้นนะเนี่ยบางทีาเฮ้ยไม่ใจจะขาดแล้วใจจะขาดแล้วนั่นแหละคือมาในใจตายเลยบอกเธออย่าหลอกฉันฉันไม่มีวันตายเธอนั่นแหละจะตายไอ้ใจจิตไม่มีวันตายเยินสื่อลิงผู้สื่อ คนนี่มันต้องตายจิตไม่มีวันตายแต่เวลานั้นเราโดนหลอกถ้าตัวเราไม่มีใครจะเป็นคนตายเราฝากพระพุทธเจ้าไว้แล้วไงเน่ทุกมันอารมณ์เหล่านี้มันจะเกิดเราได้ตลอดเวลานะส่าเราผ่านอารมณ์นี้ป๊บเดี๋ยวมันก็แปลงร่างอารมณ์ใหม่เพราะอารมณ์เก่ามันหลอกเราไม่ได้ไงนะอันนี้ให้กาลังใจผิดพลาดไม่ใช่ผิด ผิดพลาดเป็นครูนะบางทีจะเจอลมนัมนนี่เอกนี่บางทีต้องปัม๊มใช้สร้างพลังไปอีกนานเลยนะบางทีจิตจะหลุดพ้นแล้วอีกนิดเดียวเนี่ยนี่แหละดาบสุดท้ายเนี่ยไอตัวที่จะไม่หายใจนี่แหละเราต้องฝึกไม่หายใจบ่อยๆทอไมไม่ต้องรอคุณไม่หายใจฉันจะไม่หายใจเองดูจะเป็นยังไงไหมนะ ความกลัวทําให้เสื่อมครับสัญชาตญาณเราเนี่ยใครๆก็กลัวตายนะมันเป็นอุปทานความกลัวนี่ก็เป็นอุปทานบางคนกลัวงูนะถ้าพวกครูบอกว่า ง, งูงููตัวใหญ่ๆเลยเนี่ยคนไทยเราลุกขึ้นมาเลยอยู่ไหนอยู่ไหนนะ เคยมีมหาลยมหาสรารคามเนี่ยปริญาโทต้องมาเข้าค่ายทุกปีก่อนจะจบพวกครูก็พูดอย่างนี้นะนักเรียนไทยนี่ตกใจกันหมดอาจารย์ที่เป็นคนไทยก็ตื่นเต้นอาจารย์ที่เป็นญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสเขาก็นั่งเฉยเฉยมันเกิดอะไรขึ้นเรากลัวเพราะเรารู้เห็นไมมีชาวป่าชาวบ้านชาวเมืองนั่งคุยกันอยู่ เด็กมันบอกว่างูตัวใหญ่มากเลยชาวเมืองเราทำยังไงเพนก่อเลยชาวบ้านวิ่งหาไม้ไหนไหนไหนไหนชาวป่ามันนั่งเฉยเฉยเอ๊ะไอ้มนุษย์มนุษย์พวกนี้เกิดอะไรขึ้นแค่งูเฉยเฉยถามว่าใครไม่ทุกข์ในสามคนเนี่คนหนึ่งทุกข์เพราะกลัวงูมันจะกัดตายอีกคนนึงทุกข์เพราะว่างูนี่อาหารจานโปรดกลัวจะตีมันไม่ได้ แต่ชาวป่ามันอยู่กับ ง, งูมาตลอดเวลามันไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยอันนี้เขาเรียกว่าความกลัวนี้ไม่ใช่ของจริงมันเป็นอุปทานเรามาปฏิบัตินี้เพื่อจะล้างอุปทานเหล่านี้ทั้งขั้วบวกขั้วลบนี่คือขัดเกาจิตให้ผ่องใสขบวนการเข้าค่ายเท่วนี้เนี่ยเรามีวินยัยเราเป็นคนทําดีแล้วเราช่วยงานเนี่ยเห็นไหมทําดีแล้วก็ เราก็โอกาสที่จะไปทำชั่วก็น้อยไงเพราะเรามาเข้าคอรจริยธรรมเราก็ละชั่วแล้วก็เราก็เลยขัดเกลาจิตให้ผ่องใสนะครับอันนี้ครบสามองค์คณะปฏิบัติเตรียมพร้อมเครื่องมือเดินทางช่วงที่ตะโกนเสียงดังมากมีน้ำตาไหลออกมาเป็นเพราะว่าเรากลัวหรือเพราะว่าจิตเราต้องการปลดปล่อยอารมณ์อะไรก็ช่างกลัวก็ช่าง ปิติก็ช่างหรือว่าลึกๆมันมีอะไรซ่อนอยู่ช่วงที่เราร้องออกมาเนี่ยแรกๆเราไม่กล้าร้องเนี่ยเหมือนเราไม่เปิดฝานะ่ะแหละแรกๆต้องต้องบางทีต้องแก้งร้องออกมาก่อนเดี๋ยวมันจะไหลในก้นบึ้งเราเนี่ยมันจะออกมาอารมณ์ต่างๆเราไม่ต้องรู้ว่ามันคืออะไรนั่นแนหะคือมันเขาเรียกว่าคลายคายอารมณ์คลายธรรมอรมณนะมันมี กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งหัวหน้ากลุ่มเป็นด็อกเตอร์อะไรเพราะคูจักเพราะคูไม่ค่อยจำชื่อคนเท่าไหร่ที่อินเดียเขาตั้งกลุ่มร้องเพื่อชีวิตเหมือนเขาไปสวนลุมไปอะไรเนี่ยเขาก็ไปแหกปากร้องอยู่นั่นแค่นั้นชีวิตเขาก็ดีขึ้น่ะโครคภัยไข้เจ็บก็เบาไปเยอะเลยคนเราหลายๆโรคนะต้นเหตุก็เกิดมาจากความเครียด ถ้าเราเครียดบ่อยๆไอ้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันทำงานไม่เต็มรอยเสพสารพิษเข้าไปสารตกค้างมันก็ขับออกมาไม่หมดนะแต่ทีนี้เขาลองเขาดีขึ้นแต่คนละแวกนั้นก็ไปฟ้องศาลศ <laughs> าลบังคับบอกว่าห้ามลองมันเป็นกรรมอะไรก็ไม่รู้แค่ลองเฉยๆก็ไม่ได้เห็นหเพราะมันไปมันไปกระทบหูคนอื่นไงเนาะเราก็ต้องมีโอกาสเนี่ยปลดปล่อยออกไปบ้าง เพราะคนเราน้ำตาไม่ไหลกลงคืนนอนไม่ฝันนะ่ะเป็นบ้าหมดนะนี่คือขบวนการริลลสของธรรมชาตินะนี่คือเอามันออกไม่ใช่ไปเต้นดิสโก้เถอไม่ใช่ออกนะอันนั้นเพิ่มอารมณ์ใหม่นะเพิ่มกิเลสเข้ามาเลยนะตอนนั้นกําลังสนุกอยู่มาชนกันปุ๊บเตะกันตีกันฆ่ากันเลยอันนั้นเต้นด้วยอารมณ์ขาดสติ นั่นแหละครับมันเป็นกระบวนการที่มันปลดปล่อยนะเรารู้เฉยเฉยก็ปล่อยมันออกมาปกติอยู่เฉยเฉยไม่มีอะไรแล้วก็ร้องไห้เนี่ยบางทีเขาว่าเราบ้าเนาะนะผู้ใหญ่เราเนี่ยพออะไรปุ๊บเนี่ยเราถูกขัวขนบังคับไว้กดมันไว้ตลอดเวลานะด้วยศักดิ์ศรีด้วยบุคลิ ก, กภาพนะ เ, เข้าสอนเนี่ยเราอดทนเนี่ยนะจริงจริงเราก็อดทนนะมันเหนื่อยแล้วก็อดทน แต่ไม่จะไปอดกัน้นไปฝังอารมณ์ที่มันไล่สาระไม่เกี่ยวกับชีวิตเราแถมไปทำให้ชีวิตเราเนี่ยหนักหนาสาหาัสอันนั้นก็ไม่ต้องอดทนไว้หรอกแต่ไม่ใช่ไปปล่อยไปด่าเขานะเนี่ยมีจังหวะตัวนี้ก็มาปลดปล่อยสารเรามีเครื่องมือปลดปล่อยแล้วโอเคนะครับก็คำถามจริงๆแล้วมีเยอะมากเขาก็สรุปแค่นี้มาให้พ่อครูนะสุดท้ายนี้พ่อครูก็แสดงความ อนุโมทนาบุญกับคณะคุณครูทุกท่านนะที่อุตส่าห์วางเวลาที่มีประโยชน์ของเราเนี่ยนะมาร่วมเข้าค่ายที่นี่และเปิดโอกาสเนี่ยให้พ่อครูมีโอกาสทำหน้าที่ให้ธรรมทานนะพ่อครูมีความสุขมากและสุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระีรัตนาไตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในส า, ากลจักรวาลพร้อมทั้งบุญบรารมี